ได้บวชเรียนอยู่ต่อไปเช่นนี้นี่มันก็ลำบากการที่ ม, มีความรู้นี่นะ่ะลำบากโดยที่ว่ารักษาตัวบอดได้หนึ่งมูจะพิจักถูกรักษาตัวให้ตั้งอยู่ในความดีก็ดได้เป็น แล้วก็ <c oughs> จะไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นกบับเราได้อีกอันเป็น <c oughs> อันผู้คนบวชเมื่ออายุมากนั้นเป็นอีกเรื่องนนนั้น <c oughs> สังขารมันบอ่อานวยแล้วต่ส่วนที่เรายังหนุ่มยังแน่นนี่งสังขารมันยังอำนวยให้อยู่ อันเราอยู่นี่ก็อยู่ในที่สงบส ง, งัดด้วยมันจะท่องจะบ่นจดจำเอาคำสอนของทีเจ้าในก็ได้ดีบงมีเสียงเอียงมารบกวนแล้วเราก็วางระเบียบลงไปแล้วห้ามคุยกันห้ามโอเอ้กันมันเสียเวลาในการทำบำเพ็ญศาสนาคิจ แต่ เ, เมาคุยกันเล่นอยู่ผมมีปีนี้คุยเยี้งในนี้นะมันก็เสียเวลาปเปล่าแต่ผมมีความรู้คิดตัวอย่างแบบนี้คนชอบคุยอย่างเม่ถ้าคุยกันหามรุ่งหามค่ำก็ได้จักเอาเตีองอยงเหียงมาต่ อ, อยังมาคุยกัน่นี้ นั่นเลยมันเรื่องสัพเพเหละเรื่องมุยประโยชน์นั่นชอบนะบที่ว่าจะเราจะเราเรียนหรือท่องบนจดจำเอาคาสอนของตัวเจ้าอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเบื่อแล้วบ่เอาแล้วเบื่สนใจแล้วไ <c oughs> อ้ยอย่างนี้นะมันจะ แเจรินไปบุได้ให้พอกันเข้าใจเ <c oughs> มื่อไหร่เราจะคุยกันเล่นอยู่นี่นะมันจะได้เอยียงลรือคิดดูให้ดีเวลาเรามันจากัดดิ <c oughs> แล้วก็ไปอยากเที่ยวไปโน่นไปนี่อยู่นี่นะมันจะได้เอยียงหรือขนานี้นั่นเองแล้วก็ได้แติร์ทเที่ยว แล้วบมมีความรู้ยังบ่นี้บางคนก็ใจแตกท้ามเที่ยวหลายเที่ยวหลายเพลินหลายใจแตกอยู่ก็ได้ตึกดทัดเที่ยวไปเป็นข้ามข่าวบอกไปหาทำความเพียรที่สงบระ ง, งับบอกฝึกตนบอกงี้นะนน มันก็ยังชั่วอันนั้นนะ่ะมันยังชั่ว <c oughs> คนฝึกตนนี่เรียกว่าเป็นคนรู้จักเจ้าของรู้ว่าตัวบุีเมื่อรู้ว่าตัวยังบุีเนี่ย คนรีบพืกตนให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะคนบรู้จักตัวเองว่าตนเองมีความดีอยู่แค่ไหนพอแล้วหรื อ, อยังผู้ดใดวรู้ซึกตัวอย่างว่านี่มันก็นอนใจเนะว่าจะเพียงแค่ว่าตนได้บวชเข้ามาแล้วนึกว่าดีไปแล้ว มันเป็นอย่างนี้เหละยคนส่วนมากทุกวันนี้ <c oughs> แค่ที่จริงแล้วต น, น, นบกพ่องคุณงามความดีอยู่มากไปกิเลสก็ยังหนาแน่นอยู่ม <c oughs> น้คิดว่านึกว่าตนนี้จะมั่นคงใน ผมว่าการ์นี่หรือไม่โน่นนี่พอตัดสินบ่ได้ตัดสินบ่ได้เ<อ> <c oughs> มื่อตัดสินบ่ได้อย่างนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจได้ไงอ่ะเราเป็น กิเลสมันคอยที่จะเล่นงานอยู่คอยที่จะดึงออกไปข้างนอกนุ่บวชเข้ามาแล้วมันมันอยากให้บวชอยู่ตลอดไปผู่บวชเข้ามาแล้วถ้าทำความเพียนเข้มแข็งเข้าไปกิเลสมันก็บรชอบเมันก็ขัดขวางเลยีเนดะีว ตัวเองอะโบรูมายาของกิเลส <c oughs> เลยเลยไหวไปตามกิเลสนั่นมันเป็นยังไส่วนมาก <c oughs> มันทบัรดานันเป็นนักปวดนี่นะั น, น่งเหลืองห่มเหลืองอยู่นี่เพศคงกันข้ามเลยเห็นเข้านี่ปรากฏว่า โอ้ยสวยงามทีนี้อยากสนทนาอยากใกล้ชิดใช้แสงหูแสงตาถามข่าวกันก่อนนั่นแหละพอไอ้ไฟนักบวชนี่ไปถูกแสงตาเขาเขา้าก็ปันสายฟ้าฟาดตกใจขาม เอาแล้ววันนี้ถูกลูกสอนเขาแล้ว <c oughs> มันต้องรู้สี่มายาของกิเลสอันนั้นแล้วมันจะหลอกให้ไปทุกข์กรําลำบาก ต น, นบุญกุศลส่งให้มาอยู่ที่สุขสบายแล้ววันนี้มันหลงคนของมารเข้าไปมันก็ตกไปเป็นท่าของจันหาของเก่ามันก็ลงไปสู่ทุกข์ของเก่านันแ่ะอันนี้เราต้องคิดถึงตัวให้ ม, มากๆคนนี้นะ เราได้บวดเข้ามาแล้วนะอย่าไปคิดไปในอนาคตไกลไปนนะโอ้ยเรานี่จะมั่นคงหรือไม่นอะเราจะอยู่ไปได้แค่ไหนถ้าเผื่อว่าเราไปฝึกกลางคันนะ่มันทำยังไงหนอหอไันยังกระบุมีมนวิต้ตกวิชาไปทั่วนะปัญหาอนาคต ผู้ใดรอบวาดภาพอย่างนั้นให้อยู่กได้แล้วอ่าก็อพรหมจรรย์ให้ยืดเยื้อไปกู้ใดเร่นั้นผู้จะอยู่ได้ล้วมันต้องถือปอัจจุบันนี้เป็นหลักอะกิเลสมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะเรา เพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้กิเลสได้โผล่ขึ้นมาผมคอมันลงซัดมันออกไปนั่นไอ้กิเลส ท, ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วมันกระดับไปแล้วนั่นไยอนาคตก็ยังไม่ได้บดถึงลำบาต้องไปคำนึงหามันโอ้มันจะอยู่ไปได้เท่าไรเนาะ มันจะไหวหรือไม่เนาอะไรหมูนีนะ้ไม่ต้องไปคิดมัะนี่ยเราปัจจุบันนี่เมื่อเราอาชนะกิเลสอัน ป, ปัจจุบันนี้ได้แล้วก็เรื่องอนาคตไม่ต้องพูดถึงมันปัจจุบันนี่อยู่ได้แล้วอนาคตมันก็อยู่ได้เหมือนกันถ้าปัจจุบันนี่ไม่ไหวแล้วอนาคตก็ไม่ไหว เ <c oughs> พราะฉะนั้นอย่าพากันชอบคิดจ้องวิจาร์ไปในอดีตอนาคตอันเราเป็นนักบวชนะต้องให้เข้าใจเอาปัจจุบันนี่ยเป็นหลักมันจะทุกข์หรือทุกข์มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันในอนาคตบท ไม่ต้องไปคำนึงหามันพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนด้วยแล้วก็เคยเทศให้ฟังอยู่ก็องค์สอนแนะนำจริงๆนะไม่ให้ไม่ให้คานึงไม่ให้คิดถึงเรื่องอดีตที่ลงมาแล้วไม่ให้คำนึงคาดการ ร่วงหน้าที่ยังไม่ได้ไม่ถึงทาใดที่ปรากฏในใจเฉพาะหน้านี่อันไม่งอนแง่อันไม่คลอนแคลนเพิ่งเจริญทานั่นเนืองเงื่องนี่นะก็องเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่พอันจำอาไว้สิอันนี้เป็น ข้อปฏิบัติอันสำคัญมากเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเขาผู้ใดส้จักกกำหนดอปจุวันนี้เป็นหลักของการบาเพ็ญแล้วก็ไม่ค่อยเสื่อมแล้ว เ, เป็นงั้นก็ไม่เข้าใจดีก็อยู่ที่ปัจจุบันไมชั่วก็อยู่ที่ปัจจุบั น, นใจ ชั่หรือใจดีมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่วนอดีตมันล่วงมาแล้วนี่มันดับมาแล้วมันไม่มีอะไรเป็นทิมเป็นดันเลยเมื่อเมื่อไม่ไม่คำนึงหามันอะไรมันก็หายเข้าขีดเมฆไปหมดเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรในอดีตมันมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่เนี่ยมันทําพิษต่อจิตใจ ให้เข้าใจเรื่องอดีตมันก็เอามาคิดอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเรื่องอนาคตมันก็เอามาคิดอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะไม่ใช่มันเรื่องอดีตมันจะเอาไปคิดอดีตที่ร่วง ม, มาแล้วนู่นไม่ใช่เรื่องอนาคตมันจะไปคิดไปคิดอนาคตไป น, นู่นไม่ใช่มันคิดขึ้นในปัจจุบันนี้ แต่มัน่ไคิดถึงเรื่องอนาคตรหรือมันคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงแล้วอย่างนี้นะแต่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดมารู้เท่าความคิดอันเป็นอดีตอนาคตนี่ว่าเป็นของไม่จรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อใจเราไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรอ น, นี่ ถ้าเพ่งพิจารู้เท่าอย่างนี้เลาวผู้นั้นก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แต่ละวันแต่ละคืนนะอันมันเดือดร้อนนะเนี่ยก็เพราะมันยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเรื่องมันนะเรื่องอดีตที่ล่วงแล้วมาเรื่องที่ทําให้เสียใจก็มีทําให้ดีใจก็มีเออมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรอะไรก็ท่ า, ทางที่เป็นอดีตเราอย่าไปอย่าไปถือมันมันถึงแม้ว่ามันจะเผลอคิดไปก็าตามก็ให้กำหนดรู้เท่าไปพร้อมเรื่องนี้มันก็ไม่เที่ยงหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอ น, นหรอกมีสติเตือนปิดเข้าไปอย่างนี้นะมันก็มันก็ไม่หลงนะไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเรื่องอดิที่มันล่วงมาแล้วนะั้นแม้มันจะคิดไปถึงมันก็เมื่อคิดไปแล้วมันมีสติรู้ได้เลยว่า hmm? เรื่องนี้มันล่วงมาแล้วตั้งนมนานเนะี่ยมันดับไปแล้ว ไปคำหนึง่งฮะมันทําไมเมื่อสติมเตือนใจได้อย่างนี้มันก็หยุดมันก็ไม่วิจารณ์เรื่องที่ร่วงมาแล้วนะถ้าหากว่ า, าสติมันระลึกไม่ได้อย่างนี้มันก็วิจารณ์เรื่อยไปเรื่องอดีตที่ร่วงแล้วมาอืมันก็วิจารณนะ์ไม่หยุดไม่ย่อนเลยดังนั้นเราต้องรู้อว่าทางแห่งความเถื่อมอมา มันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยตรงที่จิตมันยึดมั่นในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ยอมปล่อยวางนะรงแต่งไปเท่าไรก็ยิ่งเกิดกิเลสขึ้นเท่านั้นเนี่ยทำให้กิเลสมันมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปนเรื่อยๆไปเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตาม ถ้าไม่รู้เท่าแล้วเป็นกิเลสหมดเลยถ้ารู้เท่าแล้วก็เป็นธรรมบันดนี้นะอันนี้เป็นธรรมคือจิตเป็นกลางอยู่ในระหว่างดีกับชั่วเพราะว่าเรารู้เท่าแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอา้าวแล้วความดีจะไม่ให้ยึดเอาเหลือไม่ต้องยึด มารู้ว่าจิตของตนบริสุทธิ์อยู่ไม่คิดเป็นบาปกรามอะไรเมื่อเมื่อจิตไม่คิดไปในทางบาปอากุศลอะไรมีความเรื่อมใสในคุณพระรัตนากายอยู่เชื่อมั่นในบุญกุศลความดีอยู่เช่นนี้นี่แสดงว่าจิตใจนั้นมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ ถ้าเรานึกถึงใจอันดีๆอย่างว่านี่ก็เท่ากับว่านึกถึงบุญถึงคุณนันประเสริฐอย่างนั้นแหละก็ให้เข้าใจนี่เรียกว่าเราพิจารณาโดยรวบรัดนะถ้าพิจารณาให้พิสดารออกไปก็ต้องพรรณนาพระคุณขององค์เจ้าพระธรรมส่งอย่างที่เคยได้บรรยายให้ฟังมาแล้วนั่น พิจารณาถึงการบุญการกุศลที่ตนได้ทำมานั่นเรียว่าพิจารณาถึงความดีโดยละเอียด <c oughs> ถ้าเราไม่ต้องการจะพิจารณาให้พิสดารอย่างนั้นเราก็รวบรัดตัดตอนเข้ามาถู่จิตนี้เลยไม่เห็นจิตตัวเองนั่นเป็นกลางอยู่ ไม่เยียงไปข้างไหนเช่ น, นี้ก็มารักษาความเป็นกลางของจิตดีไว้ก็เท่ากับว่าเรารักษาบุญคุณความดีต่างๆไว้หมดเลยนะต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใจทูกได้ทำใจเป็นกลางต่อทั้งขานทั้งหลายได้แล้ว ความดีทั้งหลายมีอยู่ในนั้นหมดเลยเมื่อกันกรองเข้ามาแล้วความดีที่เราทำมานั้นนะกลั่นเข้ามากรองเข้ามาจนว่าใจมันรวมลงสงบลงไม่ยึดปั้นถือมันอะไรอย่างนี้นะนี่เรียกว่า กรากลันกกล่นกรองเอาบุญกุศลความดีหรือว่าคุณพระรัตนาไกลให้ให้น้อยเข้าที่สุดแต่มีประสิท ธ, ธิภาพนั่นไให้น้อยเข้าที่สุดเลยทีเดียวให้บุญให้คุณนั่นหลอมหล่อจิตใจตัวเองนี่ให้มันน้อยลง เรียกว่าเป็นผู้มีความปนาดิหาริน้อย <c oughs> ไม่ปลารินามากนี่แหละบุคคลผู้มีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจแล้วบุญคุณนี่หละกลั่นกลองกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วทั้งหลายออกไปให้เหลือแต่ความดีอยู่ในใจ เมื่อเมื่อมีความดีอยู่ในใจอย่างนั้นนะใจมันก็ตั้งมั่นได้ทั้งตั้งมั่นด้วยทั้งเบิกบานด้วยแต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้เศร้าโศกเสียใจกับอะไรนั่นแหละผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแนละ้กวก็เมื่อวันสบายแล้วเนี่ยจะไปยึดเอาเรื่องไม่ดีอะไรมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนลนะ่ะนั่นนี่ย เหมือนอย่างคนที่อยู่ในห้องนอนอย่างดีแล้วกันฝนกันลมกันแดดได้เลยอย่างฝนเจือด้ลมซัดมาเนี่ยใครเราจะไปอยากออกไปตากลมตากฝนอยู่นั่นต้องก็ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องนอนนั่นมันก็สบายทั้งอบอุ่นด้วยทั้งไม่ถูกต้องละอองฝน เหลือบยุงบุ่งลิ้นต่างๆก็ไม่เบียดเบียน <c oughs> อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้ใดทำใจให้สงบลงไปได้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้มันก็มีความสบายเย็นไม่อยากได้อะไรคนมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจ ในขณะนั้นไม่อยากได้อะไรอิ่มไปหมดเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็ไม่ท่องเที่ยวไปไหนมันก็สงบอยู่ในตัวเลยนั่นแหละเพราะว่ า, วาบุญคุณนี่เป็นของเย็นนะไม่ใช่เป็นของร้อนดังนั้นเมื่อเกิดมีขึ้นในจิตของผู้ใด ก็ทำจิตของผู้นั้นให้เยือกเย็นสบายซึ่งตรงกันข้ามกับบาปอากุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันเผาใจของผู้นั้นให้เราร้อนให้อยู่ไม่เป็นถุกเลยคนมีบาปแทรกแตงอยู่ในใจ อย่างว่ามันนั่งฟังธรรมอย่างนี้มันก็นั่งอยู่ไม่ได้นานนะเพราะว่ากิเลสมันลบกวนใจไม่ให้ใจนั่นฝักไฝ่ในธรรมเออเอาไปามาก็ลุกหนีนั่นเลยสำหรับผู้ดูดื่มในธรรมมันก็มีแต่ความสงบ ก, กายสงบใจอยู่เย็นใจอยู่ เช่นนี้นี่มันก็ไม่ลุกลี้ลุกลนอะไรคนหนักในกุศลธรรมมันเป็นอย่างนั้นกิริยามันบอกให้รู้กันได้เลย <c oughs> ผู้ใดใจไม่หนักในศีลในธรรมอย่างเช่นว่ามานั้นไม่ได้มนานั่งฟังธรรมเดียวก็อึดอัดขัดข้องอะไรต่อะไรขึ้นมาในใจ ทางทำไม่ตลอดกันก็นแล้วกันเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นให้พึงพากันสังเกตตัวของเราทุกคนทุกวันในใจเรามันหนักแน่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่มันหนักแน่นในบุญกุศลหนักแน่นในทาน หนักแน่นในทีล น, นักแน่นในการฟังธรรมการไหวพระสวดมนนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้เรามันหนักแน่นไหมมันพอใจทาอยู่ตลอดไปหรือไม่หรือว่ามันเบื่อหน่ายมาเป็นคราว นะันเรื่องอย่างนี้นะั่นเป็นหน้าที่ของใครของเราทุกคนจะต้องรู้ตัวเองเป็นอย่างนั้นคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยต่างคนต่างโตต้องรู้ตัวเอง <c oughs> เพราะว่าบุญกุศลคุณพระรัตนากรายนี่เป็นนามธรรมา ไม่มีรูปร่างอะไรที่คนเราจะหยิบยกออกมาให้กันได้ไม่มนนีต่างคนต่างสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของใครของเราเอาเองเป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดสร้างบุญสร้างคุณขึ้นในใจถ้าบุญคุณนั่นเกิดในใจจริงจริงมันก็รู้ มันก็รู้ด้วยตนเองได้มันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเวลานี้บุญคุณเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอืมใจนั้นก็อิ่มอยู่ในบุญในคุนนั้นไม่ไม่รู้จักจืดจางเบื่อหนเช่นนี้นี่มันรู้ด้วยตนเองนะวันนี้นะอืมพอมันได้ดื่มรสแห่งบุญแห่งคุณอันนั้นว่ามันอร่อยมาก คือมันทำให้เป็นสุขสบายใจมากอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยอะ่ะไม่เบื่อไม่หน่ายในบุญในคุณทำบุญไม่มีเบื่อน่ายเลยจนกว่าบุญมันจะเต็มบริบูรณ์หละมันก็ตั้งปณิธานลงในใจว่ายอย่างนี้ <c oughs> นั่นแสดงว่าผู้นั้นเห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนาด้วยตนเองจริงๆโดยที่ไม่ไม่มีใครแนะนำให้รู้ให้เห็นอย่างนั้นขึ้นมาของผู้อื่นแนะนาได้มันก็ไม่รู้ละถ้าตนเองไม่รู้ขึ้นมาด้วยตนเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะฉะนั้นบุญคุณนี้ไม่มีรูปรั่งแต่ว่าเรารู้ได้ด้วยการสัมผัส จิตใจสัมผัสกับร่างกายอันนี้มันให้เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าจิตมันโน้มไปในทางอากุศลเช่นนี้นะจิตนี่ก็วันไวกระทบกับร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ก็รู้สึกร้อนไม่เป็นอันนั่งอันนอน ไม่เป็นอันอยู่เงียบๆได้นั่นแสดงว่าจิตไปส่งเสริมกิเลสกิเลสมันก็รุกขึ้นหลยของไปปลูกมันให้ลุกขึ้นนี่ทีนี้ถ้าหาว่าจิตนี้มันสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณได้ละคลองจิตให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้อืม <c oughs> บุญคุณก็รักษาจิตไม่ให้สร้างกิเลสขึ้นมาในใจไม่ให้สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นในใจนี่อนุภาพแห่งบุญแห่งคุณนะผู้ใดสร้างขึ้นในใจของตนให้เต็มความสามารถและอย่างว่า น, น, นะบุญคุณนี่ก็ จะรองรับดวงจิตนี้ให้เย็นสบายอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมเราเห็นได้ในปัจจุบันนะเห็นเห็นเห็นได้ในภา ย, นายจในจิตใจไม่ได้เห็นผลภายนอกผลภายนอกนั่น เมื่อปรากฏในปัจจุบันนี้นั่นมันเป็นอดีตแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำเอามาส่วนกรรมดีที่ทำในปัจจุบันมันก็ปรากฏเหมือนกันนะปรากฏในใจนั่นแหละส่วนกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันก็ปรากฏในใจเช่นเดียวกัน ก็ตนทำชั่วอะไรตนก็เป็นผู้รู้เองเนี่ทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นนียเพราะรู้นั่นแหละจึงได้สลัดบาปออกไปจา ก, ก จ, จิตใจไม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ผู้ใดไม่รู้จักบาปด้วยปัญญาตาใจแล้วผู้นั้นก็สร้างบาปขึ้นในใจเรื่อยไป เป็นอย่างนี้คนเราที่จะมีบาปติดตัวนะเพราะไม่รู้จากบาปว่าคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอากุศลอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบุญกุศลอย่างนี้ไม่ไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อไม่รู้แล้วมันก็หมุนไปตามยถากรรมเลยจิตใจนี่นะความคิดของจิตใจว่าแต่เรื่องใดมาจูงใจให้คิดมันก็คิดไปเลย จะเป็นบุญก็ตามจะเป็นบาปก็ช่างมันเกิดขึ้นในเวลาใดใจก็โน้มไปตามมันเวลานั้นเพราะว่าใจไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นน้เรื่องมานนะั่งจึงไม่สามารถที่จะเลือกสินเลือกรรอันเป็นฝ่ายกุศลแล้วสลัดสิ่งที่เป็นฝ่ายอากุศลออกไปจากกิตใจของตน เนี่ยไม่รู้จักเลือกนะคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนพอรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในขณะใ ด, ดมันก็กำหนดละมันเวลานั้นไม่สะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจ คนผู้มีใจตั้งมั่นนะมีปัญญามีสติมีสมาธิอยู่ในใจแต่ว่าถึงจะมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันก็ยังมีเวลาเผออยู่เพราะว่าคุณธรรมดังกล่าวมานั้นมันยังไม่มีกำลังมากเพียงพอ กำลังมันยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงมีเวลาเผลอวะนี้เมื่อเผลอแล้วมันก็สร้างกิเลสอันใดอันหนึ่งขึ้นในใจเอา้าสติสมวิช ญ, ญารู้ตัวแล้วก็ ก, กาหนดละมันทันทีเมื่อให้มันก่อตัวขึ้นอย่างมากมายกิเลสใดๆก็ตามมันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น อันวิธีที่บุคคลจะละกิเลสบาปประรมต่างๆให้เบาบางออกไปจา ก, กจิตใจได้นะมันต้องบำเพ็ญแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอจิตเผลอสร้างกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในใจเผื่อว่าพอรู้ตัวเข้าอย่างนี้มันก็ไม่กำหนดละกิเลสนะั้น ยังปรุงยังแต่งไปตามอำ น, นาจของกิเลสนั่นอยนู่นั่นเป็นทางความเสื่อมแน่นอนผู้นั้นย่อมทำสมาีิภาวนาไม่ได้เพราะว่าจิตมันตกอยู่ภายใต้อนนานาจของกิเลสเหล่านั้นแล้วจะไปทำใจสงบลงไปน้อยหนึ่งก็ไม่ได้กิเลสมันผักดันลง เราไม่คิดไปในตามอำนาจของกิเลสไปแล้ววันนี้ม <c oughs> ันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะอ้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเรากลัวว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมกลัวจะมีศรัทธาเรื่มใสในธรรมคำสอนของอุตเเจ้านี่ไม่ใช่ของง่ายนะคิดให้ดี ถ้ามันง่ายอย่างนี้คนในโลกนี่มันก็คงจะแสดงออกซึ่งศรัทธาความเชื่อเริ่มใสอย่างแรงกล้าเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะประกาศตนว่าตนเป็นชาวพุทธตนนับถือพุทธศาสนาก็ตามแต่ผู้นั้นก็ยังไม่เห็นโทษของกิเลสปัญหาก็ยังมีอยู่ เบ็ย่งนั้นแต่บางคนก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงเพราะได้ยินได้ฟังทำคําสอนบ่อยๆเมื่อเห็นโทษเข้ามาแล้ววันนี้ก็ไม่เลี้ยงมันแล้วเนาะมันโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็ขับไล่มันไปคือไม่ยึดไปถือนั่นเองแหละเรียกว่าขับไล่กิเลสเพราะว่ากิเลสนี่มันก็มีใจ เป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจก็อย่างที่เคยพูดมาเมื่อใจไม่ชอบกับกิเลสแต่ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสมันดับไปที่กิเลสมันอันใดมันยังปรากฏอยู่ในใจแสดงว่าใจมันยึดถือเอากิเลสอันนั้นไว้มันไปอย่างนั้นเรื่องมัน ดังนั้นให้เพ่งใจตัวเองให้มันได้ให้มันเห็นเมื่อเพ่งเข้าไปกิเลสอันใดมันมีอยู่มันก็จะดิ้นออกไปเมื่อใจเราไม่ยึดแล้วมันก็หายไปแต่ถ้าถ้าใจเราไปยึดเอาอีกก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นอีกแล้วกิเลสอันนั้นนะอืเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกแล้ว นี่นะมันสำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้แหละอย่าไปอย่างอื่นเลยพยายามควบคุมจิตดวงนี้ให้มันได้ <c oughs> จิตมีดวงเดียวเท่านี้แหละอย่าไปย่อท้ออย่าไปนึกย่อท้อว่ามันควบคุมไม่ได้ถ้าไปนึกอย่างนั้นแล้วมันยิ่งอ่อนแยไปเลย <c oughs> เราไม่ต้องนึกอย่างนั้น เราต้องนึกว่าจิตก็ดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่มีสองมีสามดวงอะไรดังนั้นย่อท้อกัจิตดวงเดียวนี้ขยันมันเพียนก็จิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่มีสองดวงสามดวงดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ากิเลสมันเป็นสิ่งมัวหมองสิ่งไม่ดีควรละ มันโผล่หน้าขึ้นมาเมื่อใดเราก็กำหนดละมันเมื่อนั้นใจเราไม่ชอบกับมันซะแล้มันก็ดับไปแต่มันสำคัญอยู่ที่ใจไปชอบกับมันต่างหากนี้มันเป็นอย่างนั้นใจไปชอบกับมันนถึงได้ยึดถือเอามันเลี้ยงมันไว้คำว่าเลี้ยงกิเลสนั้นหมายเอามันวิตกวิจารณ์ไปตามกระแสของกิเลสนั่นนั้น นั่นแล้เรียกว่าเลี้ยงกิเลสไวให้อ้วนให้พีขึ้นไปวิตกวิจาร์ไปในเรื่องราวของกิเลสนั้นนั้นมากเท่าใดกิเลสตัวนั้นมันก็ยิ่งอ้วนยิ่งพีขึ้นไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเพิ่งพากันเห็นความสำคัญของดวงจิตนี้ให้มั่งมาก คนทั้งคนก็มีจิตดวงเดียวเสีเนี่ยเป็นแกนสารก็เคยพูดอยู่ใบๆ อ, อ, ยอยู่มันมันก็เป็นความจริงแท้เนะหมไม่จริงเนีย่ยลองคิดดูเมื่อจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วร่างนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยใครจะทุบจะตีจะเอาไฟมาจี้มาเผายัางไงจะให้มัน สะ ด, ดุ้งให้มันร้องครวรค้างออกมาไม่มีเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตดวงนี้นะมันมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันย้อนทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาได้ตามประสงค์ทีนี้ถึงว่าจิตนี้มันมีอิทธิพลมีอนุภาพมากกว่าจริงอยู่ แต่เมื่อปล่อยให้มันสะสมกิเลสบาปธรรมขึ้นให้มากขึ้นไปมันก็มีอิทธิพลไปในการทําบาปทำคมชั่วได้อันนั้นจึงว่าอนุภาพของจิตที่ไม่ได้ฝึกผนนี่ใช้ไม่ได้เลยยังใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจิตนี่มันจะนึกถึงบุญถึงกุศลได้เพราอใจในบุญในกุศล แต่ผู้ใดไม่สำรวมจิตนี้ไม่ควบคุมจิตนี้ให้เป็นปกติไปอย่างนี้นะเมื่อเผลอเผอกิเลสมันได้ช่องกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาพลักดันจิตให้คิดไปตามอำนาจของมันมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะอย่างนั้นจึงมาพูดไปพูดมาจึงชื่อว่ามันมารวมลงที่ การฝึกจิตให้ดีนี่แหละวันนี้นะถ้าใครไม่สนใจที่จะฝึกจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นไปแล้วก็ผู้นั้นก็เท่ากับว่าไม่คิดจะยกยอตนเองให้พ้นจากทุกไปพอใจจมอยู่ในทุกขในโลกสงสารอันนี้ ก, ก็มันเป็นเครื่องแสดงบอกแล้วนี่เมื่อไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลอย่างนี้ก็แสดงว่ามันพอใจไปในทางบาปอกุศลพอใจไปในสิ่งที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมนั้นเลยมากต่อมากถ้าใจน้อมมาในทางศีลธรรมทางบุญกุศลพอใจในศีลในธรรมพอใจในบุญกุศล พอใจต่อมขผลนิพพานอย่างนี้แล้วมันก็ทอดทิ้งอกุศลไว้เบื้องหลังไม่เอาแล้วมันมันอย่างนี้แหละให้เขให้เข้าใจกันไอจิตคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะให้มันอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปนั้นไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าจิตไม่มีสติสับัติชนญาควบคุมแล้ว มันก็พลิกไปพลิกมาหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามืออยู่นั้นเดี๋ยวก็คิดทางบุญกุศลไปต่อไปเดี๋ยวก็คิดไปทางบาปอกุศลไปอย่างนี้นะต้องสังเกตดูเนี้ยจิตที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นลงไปมันก็พลิกไปทางดีบ้าง คลิกไปทางชั่วบ้างสลับกันไปอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะมุนไปทางชั่วมากกว่าทางดีก็ได้ถ้าผู้ใดไม่ตื่นตัวนะอะไรอาจจะลืมบุญกุศลความดีไปเรื่อยๆพอใจไปในทางบาปอากุศลนู่นมาในสิ่งที่ล่อใจให้ยินดีไปในทางบาปอากุศลก็คือรูปเสียงกลิ่นรส เครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ายินดีพอใจต่างๆนี่นะอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องร่อใจให้ยินดีพอใจในการทำบาปทำอกุศลต่างๆออหมนีนะ้ยกตัวอย่างให้ฟังผู้ครองเรือนทั้งหลายนีย่ไม่มีปัญญาที่จะรับเลี้ยจากบาปได้ อ้ามีลูกมีเมียมีผัวมาแล้วจำเป็นมันต้องได้ไปหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวบากก็จำเป็นเหรอฮก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบางรายก็ไปคอยด้อมคอยมองใครเผลอตัวเข้าไปแล้วไปหยิบฉวยเอาสมบัติของเขามาออา มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงคัวอะไรไปทำนองนั้นเนี <c> ่ย <oughs> นี่ความเพลิดเพลินความยินดีในกา ร, รมาคุณทั้งห้าเนี่ยมันเป็นคือทําให้คนเราสร้างบาสร้างเวไทไภไสตนเองและผู้อื่นนี่พูดกันอย่างเปิดอกเลยแหละไม่ต้องปิดบังอะไรนะเอะ่มันเป็นอย่างนั้น เราต้องรู้ว่าผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเลยเราไม่รู้อย่างนี้ชื่อว่าไม่ใช่บริษัทของพระพุทธเจ้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะเป็นผู้คลองเรือนก็ดีเป็นนักบวชก็ดีมันก็ไม่ทำบาตมันนักงหามีอุบายให้หลีกเลี่ยงอยู่นันเนี่ยเออ หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวก็ได้โดยไม่ต้องทำบาปคนผู้รู้ผู้ฉลาดนะแต่คนส่วนมากมันมันไม่อยากรู้ไม่อยากฉลาดเรื่องมันนะจึงไม่อยากเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลยนั่นแสดงว่ามันไม่อยากรู้ไม่อยากฉลาดในทางผิดทางถูกดังนั้นจึงหันหลังให้พุทธศาสนา ผู้หันหน้าต่อพระพุทธศาสนาแสดงว่าผู้นั้นต้องการอยากรู้จักบาปปุนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จริงๆอยากรู้จักประโยชน์อ ย, า ย, อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั่นแหละมันถึงได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาหันหน้าเข้าสู่พุทธศาสนานี้เมื่อหันหน้าเข้าก่ ก็รู้จริงๆไ อ, อนักปราชญอาจารย์ทั้งหลายท่านค้นคว้าท่านกันกรองเอาแนวทางปฏิบัติทางลัดทางตรงมาแนะนำสั่งสอนเลยไม่จำเป็นต้องอ้อมพร้อม อ, อย่างที่แนะนำสั่งสอนอยู่นี่แหละผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะพิจารณาว่า ท่านแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟังนะรู้เองแหละธรรมดาเดินทางนี่นะใครใมันก็อยากจะเดินทางตรงเลยอยากให้มันถึงเร็วไอ้ทางโค้งนั้นไม่อยากไปหรอกถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่ไปเลยทางโค้ง <c oughs> ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปที่ไหนเดินด้วยเท้าก็กเหมือนกัน <c oughs> แต่พาเดินไปทางนี่ตนไม่ค่อยชำนาญเดินอย่างนี้ไปถามคนเดินทางนี่มักจะถามไปเลยว่าทางจากนี่ไปบ้านโน้นไปทางไหนมันตรง <c oughs> ทางไหนมันโคง้งอย่างนี้เนี่เมื่อเขาบอกว่าไปทางซ้ายนี่เป็นทางโคง้งไปทางขวาเป็นทางลัดเขาบอกอย่างนั้นเนียแน่นอนนะทุกคนก็ต้องไปทางลัดเลยทางโค้งไม่เอาแล้วมันนานถึงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะมันมีทัาง แนะนำในทางโค้งก็มีแนะนำไปทางลัดทางตรงไปสู่สวรรค์สู่พระนิพพานเลยก็มีที่พระองค์เจ้าแนะนำทางโค้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะคนส่วนหลายมันมีอุปนิสัยวาสนาน้อยไม่มีมากเรื่องมัน เมื่อผู้ใดมีอุปนิสัยวาสนาน้อยอย่างนี้นะมันเอื้อมไม่ถึงที่จะเดินทางรัฐนั่นมันเอื้อมไม่ถึงไม่มีความสามารถจะอย่างนั้นเพราะว่าทางรัฐในในการปฏิบัติธรรมนี่นะหมายความว่าเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะ เราให้ทานลงไปแล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรเลยเนี่ยให้ทานเพื่อสิ้นทุกข์สิ้นยากในสงสารเท่านั้นเนี่ยที่นี้บางคนไม่พอใจเลยโอ้ให้ทานก็กอยากใหผ้ผลทานนั่นมันอำนวยให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของลาภยศธนเสริญต่างๆอย่างนี้นะ นี่ยความอยากของคนเราความชอบใจคนเราไม่เหมือนกันนะดังนั้นจะมาบอกให้เอยฮการให้ทานอย่าไปหวังผลตอบแทนอะไรเลยอย่างนี้บางคนไม่พอใจเลยอเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระองค์ก็กจึงได้แสดงธรรมโดยอนุโลมปฏิโลมไปเอาเช่นทรงแสดง ว่าทานมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ใดให้ทานแล้วก็จะได้อร่ํารวยเงินทองเข้าของอมีผู้ยกย่องสรรเสริญเยินยอเต็มไปด้วยญาติเต็มไปด้วยมิตรสหาหิออะไรพวกนี้นะเมื่อพระ อ, องค์จะแจกแจงออกไปนั้นคนที่มีอินทรีย์ยังอ่อนมันก็พอใจสิวะ น, นี้นะโอ้ให้ทานนี่มันมีผลหลายอย่างนั่งนี้ มันก็เต็มใจให้ทานไปแต่สําหรับผู้รู้ลึกซึ้งในทานนั่นแล้วอย่างนี้นะเอไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยให้ไปแล้วใครจะสรรเสริญก็ตามใครจะนินทาก็ช่างไม่เกี่ยวมันมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าทางลัดยกตัวอย่างให้ฟังแม่รักษาศีลก็เหมือนกันนะ เมื่อรักษาศีลก็ไม่มุ่งหวังที่จะให้ใครมาสรรเสริญเยินยอนำลาบสกการะต่างๆมาให้ไม่มุ่งอย่างนั้นเลยรักษาศีลมุ่งหวังเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสปาประทธรรมต่ า, างๆเพราะว่าศีล น, นี้ถ้าผู้ใดรักษาได้มั่นคงจริงๆ มันก็ขจัดบาปออกจากกายวาจาใจได้จริงจริงนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าเป็นประมาถสินแล้วมันยิ่งเป็นทางลัดมากเทียว <c oughs> เป็นผู้สำรวมอินทรีย์ด้วยประมาถสินนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปมากระทบในตาเป็นต้นแล้วก็มั่นอยู่ในศีลจริงๆใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลไม่ยอมทำลายเล็ดขาดเลยตายก็ตายสละตายลงไปเพื่อศีลเลยนี่เป็นทางรักทางตรงจริงๆศีลแบบนี้ ภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนานี่แล้วก็ไม่ได้มุ่งภาวนาหาลาภอะไรเลยไม่ได้มุ่งภาวนาเพื่อให้คนเขาสรรเสริญเยนยอว่าตนเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่มีความรู้ในอดีตอนาคตอะไรได้ดีไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเลย มุ่งภาวนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานิตติอันนี้ที่มันยังหมักดองอยู่ในจิตใจนี่นะให้มันหมดไปสิ้นไปโดยตรงนี่เราภาวนาเราตั้งใจลงอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ยึดปั้นถือมั่นในในเรื่องราวที่เป็นอดีตอนาคตอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะ มุ่งเพ่งปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์ละอะไรก็ละลงในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะอันนี้แหละท่านเรียกว่าบมเพ็ญข้อวัดปฏิบัติโดยทางลัดทางตรงถ้าหากว่าผู้ที่เดินทางโคง้งก็เพียงนั่งภาวนาก็นึกถึงทานการกุศล นึกถึงสินธรรมที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาแล้ววันนี้ก็เกิดปิติอิ่มใจใจก็สงบไปอยู่ด้วยคุณบุญกุศลอันนั้นไปชั่วครั้งชั่วคราวไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องใช้ปัญญาใคร่ควรวิวนิจฉัยถึงกิเลสตัณหาที่หมักดองอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะ ก็ก็ก็ไม่ไม่สนนะไม่สนใจอย่างนี้นะนี่เรียกว่าภาวนาอย่างนี้ก็เปรียบได้กับบุคคลเดินทางโคง้งออมันบุญกุศลแล้วนี่มันก็จะนำพาให้เกิดไปในวัฏสงสารนี่อ่ได้สวยผลของบุญกุศลก็มีความสุขความเจริญด้วยลาบยศ สรรเสริญสุขกายสบายใจไปชั่วระยะหนึ่งอย่างนี้แหละแต่แล้วคนพูดเช่นนั้นมันไม่คิดเห็นทุกเห็นภัยในสงสารอะไรเลยเห็นว่าบุญกุศลตกแต่งให้พอมีอายุวันนะสุขภาพละปฏิพันธนสารสมบัติพอสมควรแล้วก็พอใจแล้วพอใจ ติดอยู่ในความสุขอันนั้นนี่เรียกว่าเดินทางโค้งเพราะฉะนั้นชี้ให้ดูว่าทางเดินแห่งชีวิตเนี่ยมีอย่างนี้แหละมีทางโค้งกับทางลัดมันก็สุดแล้วแต่ใครเดินทางไหนก็พยายามเดินไปตามชอบใจของตนของตนก็แล้วกันดังแสดงมา ขอจบลงเพียงเท่านี้